เอาน่ายอย่าซีเรียกเรื่องบุญของแบงค์20สการละครั้งหนึ่งในปัจจุบันกาลนี้เองธนบัตรแบงค์พัน ได้ถูกพิมพ์ออกมาสู่ท้องตลาดหลังจากนั้นก็ได้สถิตยอยู่ในกระเป๋าของนักธุรกิจประชาชนผู้มีอันจะกินทั้งหลายด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่งจนอดเก็บไว้ไม่อยู่แบงค์พันจึงพูดกับแบงค์อื่นๆออกมาว่านี่พวกเธอดูสิฉันได้เดินทางไปที่ต่างๆกับบรรดาเศรษฐีทั้งหลาย ฉันไปมาแล้วทั่วโลกทั่วทุกทวีปก็วาดได้แบงค์ห0 0จึงพูดว่าเธอนี่โชคดีจังที่ได้เดินทางไปทั่วโลกแต่ฉันก็ได้เดินทางไปตามห้างสปปรรพสินค้าทั้งขึ้นเหนือล่องใต้ทั่วประเทศเหมือนกันนะแล้วแบงค์พันกับแบงค์ห้าก็หันมามองแบงค์20สซึ่งฟังอยู่อย่างสงบแล้วเธอล่ะแบงค์ยี่สิบ เธอไปไหนมาบ้างเล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิแบงค์สที่ฟังอย่างเงียบๆเมื่อถูกขยันขยอให้เล่าจึงพูดขึ้นฉันไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือตามห้างสรรพสินค้าหรอกส่วนใหญ่ฉันจะอยู่ตามวัดเขาทำบุญวัดอยู่ในตู้บริจาคและติดอยู่ตามต้นกัะถินถึงฉันจะไม่ใหญ่โตอะไร แต่งานบุญทุกงานก็มีพวกชั้นมากที่สุดนะจะบอกให้